ดูต่อนะดูในวาระทั้งสี่วิทยะประวติแล้วก็ดูวิถีด้วยในอติวิภูตารมวิถีตทาธรรมนาวาระเป็นกามาผวังสิทธมโนทวารวชนะหนึ่งกามาเฉวนะ29ตถาธรรมนาจิตสบอดแล้วก็ลงผวังสิทในวิถีนี้เกิดในกามภูมิส1บเอดนะในวิถีนี้เกิดในกามภูมิสิบอด เขตที่ในเฉพาะในวิถีนี้โดยเฉพาะเกิดในกามภูะพมสุเบศนั้นก็เพราะว่าตัวตาธารมณวาละเนี่ยเป็นตัวกําหนดภูมิด้วยใช่ไหมตาธารมณวาละนี่กําหนดภูมิด้วยกําหนดบุคคลด้วยกําหนดอารมณ์ด้วยเนอะอารมณ์เป็นกามะอารมณ์ชฉวนะเป็นกามชเวนะบุคคลต้องเป็นกามะบุคคลแล้วก็อีกเป็นรูปะบุคคลนะรูปะบุคคลก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนี่ตาธารมณาก็เลยเป็นตัวกําหนดไปแท้ที่จริงถ้า โดยเฉพาะถ้าตถาปณะไม่มีแต่เป็นวิถีนี่อยู่เนี่ยอันนั้นเขาแล่นไปได้ทุกภพทุกภูมินะครับใน30ภูมิเว้นาสัญญาสัตวภูมิเนี่ยแต่ต่อไปจะไปดูในรายละเอียดกันอีกทีนี่เป็นงี้แต่ตอนนี้ดูแค่ตรงนี้ทีนี้ส่วนในวิถีที่2เป็นชาวนวาระกามมับเอยเป็นะวัง19อุเบขา2มหาิบาก8มากตาิบาก9นี่ผวง การเชชาณยี่สิบเก้า 29, แล้วก็ลงผวังในวิถีนี้เป็นวิภูตารมวิถีเข้าหมายความว่าอารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจนี่แต่ถ้าหากอาติวิภูตารมวิถีก็อารมณ์ที่ปรากฏชัดมากในทางใจนี่นี่เป็นนี้ในวิถีนี้ถ้าว่าโดยภูมิแล้วเขาไปถึงรู ป, ปรภูมิและอารมณ์ปปภูมิเลยนี่นะในวิถีเนี้ยนะก็แปลว่าเขาไปไกลแล้ว ทีนี้ในลําดับการตรึกอารมณ์การพิจารณาอารมณ์โดยเฉพาะทางทางมโนทวารเนี่ยนะการตรึกพิจารณานั้นเขาสามารถที่จะพิจารณาได้สองส่วนดังที่ได้ดูตากจากโครงสร้างเดิมอะ่ะคือถ้าเป็นต่ทานุวัติกะมโนทวารวิถีวิถีเหล่านี้เขาก็จะเกิดต่อจากทางปัญจทวารวิธีใช่ไหม ต่อไปก็วิถีเหล่านี้นี่แหละพี่เบนอติวิภูตารมหรือวิภูตารมนี่แหละที่จะไปเป็นตถาทุติกรรมโนทวารวิถีที่เป็นอติตักฆะนาวิถีสมูหักฆะนาวิถีอัฐักฆะนาวิถีและก็นามะฆะนาวิถีใช่ไหมเนี่ยวิถีเหล่านี้นี่แหละหรือที่จะไปเป็นสุทธาโนทวารวิถีที่จะเป็นอติวิภูตารมวิถียี่บสองวิถีวิภูตารมวิถีสิบหกวิถีเนี่ยววิภูตารมวิถี สองวิถีแล้วก็อติอวิภูตาโรวิถีหนึ่งวิถีอ่ะสรุปก็คือว่าสุดทามโนทวารวิถีเท่าไหร่4ีิบอดวิถีเนี่ยก็นี่แหละก็ที่เป็นตทารมหนาวาระที่เป็นชาวหน้าวาระที่เป็นโวอทัพนาวาระที่เป็นโมฆะวาระนี่แหละที่4ี่บเอ็ดวิถีทีนี้ใน4ี่ส็ดวิถีถ้ารวมอตีตักขาววิถีสมูหะข้าววิถีอัดถคก้าววิถีและนามคณวิถีก็เป็น 45ห้าวิถีก็คือกาเมชวนมโนทวารวิถีมี45่ิบห้าวิถีนั้นก็เนี่ยโดยสรุปก็คือเนี่ยที่เป็นตถาลัมหน้วาระบ้างที่เป็นชาวนะวาระบ้างที่เป็นโวุฒิพนาวาระบ้างและที่เป็นโมคะวาระบ้างก็คือสี่สิ้าวิถีใน45วิถีในวิถีเหล่านี้ถ้าจะพูดถึงว่าที่เกิดต่อจากทางปัญจ ก, ก็ท่านยกไวสองประเภทก็คือตทาลัมน้วาระกับชาวนะวาระเนี่ยเนี่ย ที่เป็นอติวิภูตารมวิถีคือวิถีที่มีอารมณ์ปรากฏชัดในทางใจมากกับวิภูตารมวิถีวิถีที่มีอารมณ์ปรากฏชัดในทางใจนี่แหละดูตรงนี้เนี่ยไอตรงนี้เวลาเราเราเรียนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเราเรียนเราเรียนรวมเข้าไว้อยู่ใช่ไหมเราเรียนรวมทั้งทั้งตทานุตติกะมโนทวารวิถีกับสุทธามโนทวารวิถีแต่ถามว่าใช่ ใช่อปนาชนะมโนท ว, วารลวิถีไหมบอกไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่นะเนี่ยไม่ใช่อปนาชนะมโนท ว, วารลวิถีอันนี้เป็นกามกามชนะมโนท ว, วารลวิถีอาจารย์ปฏิาวิถีเนี่ยตถาล ต่ทานนวติกามโนทวารวิถีไม่ใช่เป็นได้ทั้งแต่ทานนวติกะมโนทวารวิถีและกามสุทธามโนทวารวิถีเป็นได้ทั้งสองส่วนเป็นได้ทั้งสองอย่างนี่เป็นงั้นเนี่ยอัน น, น, นี้อันนี้ไม่ไ ม, ไม่สงสัยนะทีนี้เวลาการตรึกพิจารณาอารมณ์เดี๋ยวขอขยายตรงนี้นิดนึงนะว่าบางครั้งเนี่ยถามบ อ, อกว่าที่ไปตรงกับปัญหาที่ยมตรีถามเนะี่ยถามบ อ, อกว่าทางปัญจทวารวิถีใช่ไหม อันนั้นมีตัวกําหนดในเรื่องของอารมณ์แน่นอนคําว่าแน่นอนก็หมายความว่าในปัญจทวารวิถีนี่อาศัยอะไรเป็นใหญ่อาศัยอารมณ์นั้นเป็นใหญ่ใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นได้าจากขู่ทวาริกะอติมหันตารวิถีนี่ก็แปลว่าเหตุสีอย่างอ่ะชัดเจนอาศัยรูปารมณ์จากขู่ประสาทอาศัยแสงสว่างแล้วก็ตัวปัญจทวารเราชนะหรือมนุิการเหตุสีอย่างนี้อยางชัด ก็เป็นอติวิภูตารมวิถีถ้าหากเกิดไม่ขัดข้องนิดๆหน่อยๆอย่างได้อย่างหนึ่งก็เป็นวิภูเออเป็น เ, เป็นอติเป็นมหานตารมวิถีถ้าขัดข้องมากก็เป็นปริตารมถ้าหักมากที่สุดก็อติปริตารมเออก็เป็นอย่างนั้นถามว่าแล้วทางมโนท ว, วารลวิถีล่ะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดทางมโนทวารลวิถีท่านเอาสอาัจจิตเจตสิกเป็นใหญ่ใช่ไหมเมื่อจิตเจตสิกเป็นใหญ่เนี่ยถามว่า ถ้าหากจิตเจตสิกหรือวิถีจิตนั้นๆเนี่ยปารพอารมณ์แรงและอารมณ์นั้นก็ชัดมากอารมณ์อะไรบอกอารมณ์6กอะอารมณ์6ะรูปารมณ์ศัทธารมณ์คันธารมลสาอารมณ์โผล่ธรรภารมณ์เลยธรรมอารมณ์เนี่ยชัดคือปารบแรงด้วยมนสิกาแรงด้วยแล้วก็อารมณ์นั้นก็เด่นชัดในในใจมากที่สุดด้วยอันนั้นเป็นอติวิภูตาารมณ์วิถี แตตาลําน้วาระบ้างเป็นชาวนะาวาระบ้า ง, าาาางแล้วแต่ว่าปารบอะไรใช่ไหมแล้วแต่จะปารบอะไรถ้าปารบบัญญัติทั้งเป็นอัฏฐบัญญัติหรือนามะบัญญัติทั้งหลายเนี่ยก็ก็จะแรงอันนั้นก็จะแรงไปตามตามสภาพของอารมณ์นั้นๆเพราะว่าเหตุปัจจัยของตตาลําน้าเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าจะเป็น อติวิภูตารมวิถีถามว่าต้องเป็นตาทารำนาไ ม, ไม่ใหม่ไม่ใช่เลยเพราะอะไรเหตุปัจจัยที่จะทำให้ตาทารำนาไม่เกิดมีตั้องเยอะนี่ไหมมีเรื่องเยอะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าหลังจากพุทธาพุทธานะคาม่ีวิปัสสนาดับลงแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดตาทารำนาไม่ได้เช่นว่าวิถีจิตเนี่ยในการที่พิจารณาไปตามลาดับเป็นวิปัสสนานี่นะ พอไปถึงวุฒฐานะคาคีพิบัตนาพิบัตนาชั้นสูงเนี่ยดับลงแล้วเน่แต่ทานลำมน้จิตก็ไม่เกิดองี้หรือในขณะที่ในขณะที่การปาราลบัญญัติการปาราบมหคตะเกิดในรูปภูมิเกิดในรูปภูมิมทั้งหลายวิถีจิตเหล่านี้ก็ก็จะทานลำหน้ก็ไม่เกิดมีนิพพานเป็นอารมณ์นี้แต่ทานลน้าก็เกิดไม่เกิดแล้วใช่ไหมเนยรายละเอียดก็ไปดูตรงนั้นฉะนั้นแต่ทานลำหน้าไม่ใช่จะเกิดได้เสมอไป เนี่ยลักษณะการเกิดปารพเนี่ยถามว่าแต่มันถามดูอย่างนี้ทาง ม, มโนทวาวิถีเนี่ยถามดูจากความมหัศจรรย์ของวิถีจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามหัศจรรย์จริงๆนะอ๋อมีเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แบบแใช่เกิดก็ได้เกิดก็ได้ไม่เกิดก็ไ ด, ไก ด, กได้ก็อยู่ตรงว่าที่อกุศลแรงกล้าในที่นั้นเนี่ยปารพอะไร ถ้าปารลปรมตัตตอนนั้นต่าาลามน้ําเกิดแต่ถ้าปารลเป็นบัญญัติตะาาลามน้ําไม่เกิดหรือบางทีเนี่ยปารลครั้งแรกเป็นปรมตัตต์ต่าาลามน้ําเกิดลึกลงไปจนจับบัญญัติเป็นอารมณ์ต่ทาก็หลุด ก, ก็เหลือแต่ชาวนะวาระก็แล่นอยู่ในนั้นแหละก็กุศลก็เหมือนกันในขณะปารลครั้งแรกอาจจะเป็นปรมัตต์ใช่ไหมแต่ในที่สุดจริงๆนั้นก็ก็ไปเข้าใจปรมัตต์นั้นว่าคืออะไร อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าปารบรูปข้างแรกนั้นเป็นเป็นปรามาสแต่พอปารบไปรวบรวมส่วนใบกลายเป็นสมูหักอันยังแตถารับน่ยังเกิดอยู่อพอต่อไปตามลําดับเริ่มเห็นอัฏฐสันฐานของสิ่งนั้นอันนี้แตถาไม่เกิดแล้วตถารับน่ไม่เกิดแล้วยิ่งไปรู้ชื่อว่าเออไปสังเกตวิถีเกิดอีกว่าการเกิดขึ้นสังเกตวิเคราะห์อย่างทีท่วนอย่างนี้เป็นต้นนะนะ วิถีที่เป็นสังเกตเกิดอีกเป็นโกรธๆหลายๆโกรธจนถี่ท่วนเบ็ดเสร็จก็อ๋ออย่างนี้มีชื่ออย่างนั้นเนี่ยไอ้นามมัคคณะวิถีมาเกิดเนี้ยนะถ้างี้ก็ต่ธารัมนาก็ไม่เกิดนีคือต่ธารัมนาจะเกิดอยู่ต้นๆหลังจากมองสิ่งนั้นใหม่ๆถ้าเป็นทางตทานุวัติกานะครับใหม่ๆต้นๆแต่ถ้าหากว่าจนไปรู้อัฏฐะ สันฐานของสิ่งนั้นและไปรู้นามรู้ชื่อของสิ่งนั้นและไปเข้าใจลึกในสิ่งนั้นและก็เด่นชัดในสิ่งนั้นอันนั้นก็เป็นชาวนาวาระไปจะเป็นบาปหรือเป็นบุญก็เป็นไปในลักษณะเช่นนั้นบางทีเนี่ยนะเรานั่งตรึกพิจารณาในทางปัญจาทางมโนท ว, วารวิถีเนี่ยบางทีเราได้บุญได้บาปกันอย่างมากมายเลยนะ ตั้งประเด็นคําถามทั้งนี้คงเข้าใจนะถามว่าปัญจาทวารวิถีเนี่อรับอารมณ์เป็นปัจจุบันนั้นเข้าใจแล้วเพราะยังไงก็ต้องรับปัจจุบันอย่างเดียวปัญจาทวารวิถีทั้งเจ็ดสิบห้าวิถีทั้งร้อยวิถีทั้งโดยยอด่อโดยพิสดารเนนะี <c> ่อ <oughs> รับอารมณ์เป็นปัจจุบันอย่างเดียวแต่ถ้ามโนทวารวิถีรับอดีตอนาคตได้ปัจจุบันได้บัญญัติได้นิพพานได้แล้วแต่วิถีตามสมควร ทีนี้เอาละแล้วมโนทวารลวิถีที่รับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน ล, ละรับยังไงถามว่าจะรับยังไง เ, ไเพราะว่ามโนทวารลวิถีมีสองส่วนใช่ไหมส่วนที่เกิดต่อจากาทางปัญจาทวารลวิถีอย่างนั้นเขาเรียกตัทนุวัติกะมโนทวารลวิถีหรืออนุพันธิกะมโนทวารลวิถีเนี่ยเป็นวิถีที่เกิดต่อจากทางปัญจาทวารลวิถีถ้าดูจากวิถีที่เกิดต่อจากทางปัญจาทวารลวิถี ถ้าอาตีตักฆะนวิถีสมูหักฆะนวิถีอัฏฐฆะวิถีหรือนามัคฆวิถีเนี่ยถ้าจะนุโลมวาอาตีตักฆวิถีมัง่งรับปรบวรมที่เป็นปัจจุบันได้ปัจจุบันสันตติได้ปัจจุบันสันต ต, จจนนติแต่ปัจจุบันสันตติอันนั้นก็เร็วก็ก็ถือว่าชัดแล้วเนีนเนี่ยใช่ไหมถ้าจะจัดอันนั้นเป็นปัจจุบันก็ได้ถ้าจะถือวิถีนั้นเป็นปัจจุบันก็ได้ ไม่ใช่คือจะพูดกันไงไหมเพราะมันก็ต้องเดียวนั้นจริงๆเลยใช่ไหมอย่างนี้เรียกปัจจุบันได้เรียกปัจจุบันได้แต่ก็ยังเรียกว่าอัตติตักขานวิถีรูปารมที่เป็นอดีตใช่ปัจจนแล้วคนที่ทาเกษิอได้ปฏิภาสปฏิภาสก็ไม่ใช่รูปารมจริง อาจารย์บอกว่าต้อ okay. งมีร<ม>ูปปปันรูปั้นรู้านัตอ่รรมองเห็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆได้โดยที่ไม่ได้เข้ามือทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายนั้นรับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันกันประจำนั่นแหละแต่การรับอารมณ์นั้นน่ะแปลว่ารู้หรือไม่รู้ใช่ไหม คือรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองว่าอารมณ์นั้นแท้จริงเป็นปัจจุบันเนี่ยเขารับอยู่แต่ไม่ทราบว่ารับเ อ, ออย่างนี้เยอะและรวมทั้งพวกเราทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนั้นด้วยในขณะที่รับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันทางวโนทวารวิถีซึ่งการับก็เป็นปกติแต่รับแบบไม่ทราบและบางคนไม่ทราบว่าจะอุปมาหรือ ย, ยกเหตุผลยังไงด้วยซําไปว่าเป็นยังไงแต่แท้จริงรับนั่นแหละรับแล้วทําไมไม่เห็นลนะ่ะ มันไม่ผ่านทาวารตาทาวารหูทาวารจมูกทาวารลิ้นทาวารกายเพราะไม่เกิดต่อจากนั้นก็เลยไม่ทราบแต่แท้จริงเนะี่ยรับอยู่เนี่ยเออตอนี้อ่าาหาก็ยกอย่างนี้นะถ้ายกรักษนหังเงี้ยยอมตุยเคยไปเห็นเขาล้างป่าช้าบ่อยไหมพิธีคนจีนที่เขาทำเนี่ยเขาเดินเดินเดินเดินเดินเดินไปเสียบปกไมแล้วก็ให้ขุดนะ กดที่ไรก็เออได้ทันทีแล้วข้างล่างเป็นสบเงี้ยอย่างก็ดีไหมเอ๊ะถามว่าทําไม่ปรากฏทางมโนทวารของท่านเหล่านั้นแล้วทําไมเสียบลงไปได้ไงอย่างั้นแสดงว่าเขาเดินเดินไปเงี้ยเดินไปเสียบตรงไหนอ่ะขุดเจอทุกจุดแล้วเอาไม้ปากเอาไว้เนี่ยไม่มีที่ขุดไปจะไม่เจ อ, อเงี้ยเนี่ยเออท้งนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิด แสดงว่าโนทาวารวัชนะพวกนี้รับได้ด้วยและเด่นชัดในในในกระแสจิตของท่านเหล่านี้ด้วยไอ้ซึ่งต่างจากพวกเรามันไม่เด่นชัดบางคนบอกว่าไม่ได้หรอกอาศัยความชํานาญด้าถามว่าอาศัยความชํานาญลงไปปลึกตรัสอาสิก็มโนทวารและวิถี<ม>แต่ถ้าหากว่าเป็นเป็นอารมณ์ประเภทที่บางครั้งเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นฌานเป็นอภิน ญ, ญาเป็นอะไร แต่ว่าด้วยด้วยความสามารถของวิถีจิตที่ฝึกได้ระดับหนึ่งเพราะฝึกได้ระดับหนึ่งนะเออเห็นอารมณ์ประเภทนี้แล้วเข้าใจอารมณ์ประเภทนี้เราเห็นเป็นปัจจุบันเลยเออย่างนี้ได้ไม่ต้องอะไรหรอกนะอันนี้ต้องพูดเหมือนถ้ายกตัวอย่างเนี้ยยกที่จังหวัดอยุธยามีพูดไปเหมือนเอาวิถีหารมาเชมาใช้แต่ก็แต่ก็ไม่รู้จะยกก็ยกนี้ก็ไปเรื่องหน้าคิดหลวงหลวงพ่อโอโรปหนึ่ง ที่ที่ยุธยาเนี่ยถ้านแบอกว่าเนี่ยเตรียมจัดสถานที่เตรียมจัดอะไรอะตอนนี้ทางฝ่ายข้าหลวงในวังก็กลังเดินทางมาทางเรือเนี่ยเดี๋ยวก็จะถึงวัดเราแล้ ว, ลว<ม>ให้รีบเตรียมเลยนะทั้งๆสมัยนั้นยุคนั้นไม่มีใครมาส่งข่าวส่งอะไรกันได้หรอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาถึงจริงๆข่าวได้อย่างเ น, งนี้ใช่ไหมถ้ายกอันนี้บอกว่าออหมดท่าเลยไม่รู้จะยกยังไง เอาเป็นเงี้ยสาว่าวถ้าาว่าถท่านไม่เห็นปัจจุบันแล้วจะจะเป็นยังไงอย่างนี้ต้องเป็นปัจจุบันแล้วก็พูดๆแจ๋วแจ๋วเจ๋วอยู่นนั่งกินหมากเจ้าเจ้าเจ้าก็เอพระโบราณใช่ไหมใชะก็พูดกันอย่างนี้ยแล้วก็เห็นบางทีไม่ถึงนะั้นบางทียังยังไม่ต้องถึงนะั้นจิตที่ฝึกดีด้วยกำลังของสมาธิธรรมดาในอุปจารสมาธิ ได้อำนาจของฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยก็ยังตรึกไปอย่างนั้นได้เลยมองออกใช่ไหมในกลุ่มของคนมีบุญทั้งหลายเนี่ยก็ตึกได้เลยแต่จริงพวกเราเนี่ก็รับได้แล้วแต่ก็ความเด่นชัดของการฝึกฝนเนี่ยมันไม่ถึงแต่จริงก็รับอยู่ปัจจุบันนี่เลยในชีวิตประจําวันเนี่ยมโนโทวารวิถีของเราเนี่ยก็รับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนี่เลยเหมือนเดินเหมือนนั่งเหมือนยืนเหมือนนอนอยู่ในขนาดนั้นน่ะการพิจารณาการตรึกลงในอารมณ์ในขนาดนั้นอยู่เนี่ย แต่เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมารมณเนะ่ยที่ปรากฏที่กำหนดอาการยืน อ, อาการรูปประทมที่ยืนเดินแะนั่งและนอนเนี่ยไอยตรงนั้นก็เป็นนะไม่จะไม่เป็นนะเป็นปัจจุบันในซ้ำไปใช่ไม่ยาะในขนาดนั้นนะ่ะก็สัมผัสรูปารมณ์ไปด้วยในขนาดนั้นแต่ถามว่าทําไมเราไม่ชัดไม่เย็นถามว่าแล้วเราตรึกพิจารณาชํานาญขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ แท้ที่จริงมันรับอยู่ตลอดนั่นแหละพวกเราเนี่ยมันรับอยู่ตลอดนะครับประวัติาษาษาโลกทุกคนเนี่ยรับเลยทุกจําพวกแต่ด้วยการที่ไม่ได้สังเกตไอ้ตัวสังเกตวิถีเนี่ยไม่เกิดพอสังเกตวิถีไม่เกิดบ่อยๆก็ความชํานาญก็ให้เกิดใช่ไหมเมื่อความชํานาญไม่เกิดเราก็บอกว่าเรารับกันไม่ได้แท้จริงรับได้ตลอดคือรับได้ทุกจําพวกนะีไม่ใช่ไม่รับไม่ได้ลองสังเกตดูแล้วก็จะรู้ว่ารับได้จริงจริงอารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน เพราะรับตลอดเลยวิถีจิตมันเร็วกว่าสติสัมปชัญญะของท่านพูดนั้นคงจะมองเห็นนะอย่างเงี้ยอาจทยกตรงนั้นเข้ามาไหมพวกที่คนมีความพิเศษหรือความชํานาญที่ฝึกฝนเป็นอย่างดีที่ในกลุ่มของในยุคปัจจุบันนี้คนที่ฝึกอย่างนั้นเน่ยไม่ค่อยมีแต่ถ้าฝึกแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีความพิเศษอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปลูกหลานก็ไปเล่าเลยช่วยกันสังเกต บ, บ่อยๆ ต่อไปจะได้มีอะไรคล้ายๆดูคนมันเจือเจืจะ จ, จัดขึ้นมาบ้างเอางั้นนะต่อไปยมตุยต้องสังเกตให้ดีนะ <c oughs> และ <c oughs> อ้อันนั้นอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ขึ้นมีสองอย่างไงยมตุยหนึ่งปรารบตจากทางปัญจะอันนั้นเป็นตถานุวติกามโนทวารวิถีอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ปารบต่อจากทางปัญจะ อาศัยเกิดขึ้นทางมโนท ว, วารล้วนๆเลยที่เป็นสุดทะมโนท ว, วารวิถี <Okay. S 1> ก็แยกกันไปแยกเป็นสองส่วน <Okay. S 1> คือบางทีเป็นอย่างนั้นในขณะที่เดินเนี่ยไม่ได้อาศัยผ่านทั้งตาหูเลยนะกำหนดอาการรูปธรรมที่เดินอยู่เนี่ยรูปกายที่เดินเนี่ยอาการที่เดินเนี่ยก็กําหนดอะไรกําหนด อ, อ, อิริยาบถ ท, ที่เดินวายโยธาจิตที่คิดเนี่ย ใช่ไหมก็กำหนดจนชํานาญแล้วต่อไปก็รับได้แล้วต่อไปก็เริ่มชํานาญแล้วทีนี้คนไม่เคยกําหนดไอ้ตรงนี้ในในใ น, ในบับเนี้ยในอียาบทบับในสัมปชัญญะบับก็ก็จะไม่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เลยถ้าถ้าหากว่าพอพูดตรงนี้ก็คนที่ชํานาญในการศึกษาบับนี้ดีก็จะเริ่มเห็นว่าเออจริงๆเป็นเงี้ยจริงจิงแล้วก็จะเริ่มเริ่มชัดขึ้นตรงนี้เนี่ย ก็ต้องเอาไปฝึกฝนไปแต่ที่จริงมันรับมันเร็วกปกติแหละทีนี้มันไม่ชัดเพราะอะไรสังเกตวิถีไม่เกิดวิถีที่สังเกตมันจะต้องเกิดเป็นแสนๆโกรธวิถีอะไรมากมายเนี่ยสังเกตจนชัดเจนขึ้นจนเห็นเป็นชื่อเป็นนั่นขึ้นมาไอตัวสังเกตวิถีต้องเกิดให้มากทีนี้เราไม่ได้ม น, นสิีการสิ่งนี้แล้วเราก็บอกว่าเราในรับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แท้จริงมันไม่ใช่ เพราะเราไม่ได้สังเกตเลยในชีวิตประจําวันในชีวิตจริงเนี่ยเรากลับไปสังเกตเรื่องอื่นแล้วก็ไปชํานาญในเรื่องอื่นไปก็พยายามจะน้อมมโนทวารวชนะของตนเองให้ไปชํานาญในเรื่องอื่นกลับไม่น้อมมโนทวารวิชนะให้ให้ชํานาญในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันให้รู้ชัดในปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นก็เลยไม่เห็นเลยว่าอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันปรากฏทางมโนทวารวิถีนั้นเป็นอย่างไรสังเกตเรื่องอะไรนะฮะเรื่องนั้นก็จะกเด่นเด่นเข้ามาฝึกได้จริงๆ ที่จริงมันมันเป็นมันอยู่แล้วเกิดอยู่แล้วแต่การสังเกตไม่เกิดสังเกตวิถีไม่ค่อยเกิดต่อไปก็มันให้สังเกตวิถีเกิดมากๆก็แล้วกันก็ดูอย่างที่เราไปอยู่ชื่อมืเปลแล้วเพียงแค่เรามือแค่บอกแต่ว่ามืเปลาก็ยังทีหน้าเราค่คือบางทีเราไปเอาว่ารู้หรือไม่รู้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันอีกวิถีหนึ่งแล้วนะในขณะที่รู้หรือไม่รู้ คือเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยแท้จริงของเขารับมันก็เป็นปกติแล้วใช่ไหมอันที่แบบีอยู่ในท้มืี่ย่านี่ไม่ใช่หมายถึงรู้จักการเหตนะรู้จักการได้ยินหรือรู้จกการสัขารไม่ดสามารถมันอยู่กับตัวเรากจไหนก็ได้ันั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเรารู้จักกายอันนี้ อันนี้ก็ยกไอ้เกี่ยวในเรื่องของว่ามาโนทวารและวิถีรับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนะอย่างไรก็ก็ดูดูจากเหตุปัจจัยหลายๆอย่างในปัจจุบันก็มาเปรียบเทียบแล้วก็แต่ถ้าหากพูดถึงกลุ่มของผู้มีอภิน ญ, ญาทั้งหลายก็เขาไม่แปลกใจเลยใช่ไหมในกลุ่มของวิถีจิตพวกนั้นก็ไม่ต้องไปแปลกใจในการการณีที่รับอารมณ์ปัจจุบันก็รับได้ตลอดเลยเพราะหลังจาก ไอ้อภิญญาเป็นไปแล้วเนี่ยก็ปลาลบจะเห็นอะไรก็ได้จะเห็นเป็นปัจจุบันด้วยหรือจะฟังเสียงอะไรก็ได้ถ้าเสียงนั้นก็เป็นปัจจุบันด้วยอย่างนี้แม่ท่างนี้เขาก็เขา ก, เขาก็ชัดเขาละเอียดละเอียดได้ขนาดนะั้ท้งมโนทวารชนน้ำเขาเนี่ยเขาก็เด่นชัดขึ้นก็ไม่แปลกเออเหมือนถ้าแปลพระจักคุปปาตาละจำพระจักุบาลเนี่ยนะเหมือนกับการรู้ว่า สมณเณรไปผิดศีลนะเนอะทั้งงที่ตาบอร์ดเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็โอ้เป็นเรื่องที่คาดเดาเนี่ยก็เมื่อก่อนเมื่อตอนตอนก่อนนั้นๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงนะเแล้วก็เงียบไปแล้วสมัณเณรก็ประพฤติช้าคือคือทํากิจต้องการช้าด้วยเลยทันทีทันเลยทันทีนเลยที่จริงบัณฑิตนะนะท่านเป็นบัณฑิตนะคําว่าบัณฑิตนี่ต้องเข้าใจ ลักษณะพระจักรุปาลานี่บัณฑิตเลยบัณฑิตในพระพุทธศาสนาเช่นั้นย่อมจะรู้อยู่แล้วว่าคนพานพฤติกรรมของคนพานที่อยู่ใกล้เป็นอย่างไรหรือคนทุศีลเนี่ยอยู่ใกล้ตนเองเป็นอย่างไรก็ย่อมจะชัดเจนอยู่แล้วแทบไม่จําเป็นต้องสังเกตตรงนั้นก็รู้เลยครับไแค่เ <Okay. S 2> ขาบอกว่าคนพานเนี่ยเดินตามพระละหันยังไม่รู้เลยว่าท่านที่เราเดินตามนั่นคือพระละหันไม่รู้ฮะยังไปถามได้ซ้ำไปบอกว่า ท่านครับผ้าละหันนี่เป็นอย่างไรครับท่านพูดเลยนะอีกอีกสูตรหนึ่งที่หนึ่งท่านบอกคนผานแม้เดินตามพาระละหันก็ไม่ทาราบว่าเป็นพระอะหันโอ้ขนาดนั้นเลยครับท่านน่ยังบ่กโอ้ขนาดนั้นเลยเลยโอ้คนผานนี่ผ่านแท้เนะยังยังใบบารบอย่างนั้นเน่ยแต่หารู้ไหมว่าที่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงตนเองยังไม่รู้อีกเนี่ยนี่ขนาดนั้นนะครับ<อ> น, นี่ขนาดนั้นเลยเนะนั้นลักษณะของคนผานนี่ขนาดนั้นจริงๆริงใช่ไหม เคยเจอใช่ไหมที so I said, I okay. ่บอกว่าคือต้องการอยากจะทราบปฏิบัติต้องการอยากจะทราบปฏิบัติของพระอรหันต้องการอยากจะทราบว่าเอ๊ปฏิบัติข้อปฏิบัติของพระอรหันนั้นเป็นยังไงก็เลยถามเพราะบอกผมไม่อยากรู้จริงๆว่าพระอรหันนั่นเป็นยังไงอย่างเงี้ก็เดินตามไปก็ก็ถามท่านท่านเป็นพระอรหันนั่นแหละท่านบอกว่าคนพานเนี่ยเดินตามพระอรหันรับใช้พระอรหันยังไม่รู้นะครับว่าตัวเองเดินตามพระอรหันและรับใช้พระอรหัน บอกโอ้โหขนาดนั้นจริงๆนะครับว่างั้นเลยคนพานี่พานขนาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเขว่างั้นเแล้วจะองัยก็แปลว่าท่านจะจะบอกใบยังไงบอกไงก็ไม่รู้เลยก็ยังไม่เข้าใจอีกแล้วไม่ก็ไม่เคยเห็นข้อวัดปฏิบัติถึงเห็นก็ไม่รู้ไม่แปลกใจนะเตือนตามพาุทธเจ้าจับชายจีวอนท่านถึงบอกว่ า, วาเธอไม่ได้เห็นแต่ถากดเธอแล้ว ผู้ใดเห็นทรรมพุทธนเห็นเรายังไม่ค่อยเข้าใจอีกนะกล่าวทคำนี้มาแล้วยังไม่เข้าใจแล้วเราก็คงไม่เข้าใจอย่างนั้นนะมันเลยมันเลยเออนี่เป็นลักษณะอี่นั้นเช่นในในมโนวทวารวัชนะที่รับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันก็ ก, ก็ต้องอาศัยวิธีการในลักษณะเช่นนั้นต่อไปก็จะแท้จริงก็รับรับอยู่นั่นเองไม่ใช่ไม่รับทีนี้ถามว่าในมโนวทวารวิถีเนี่ยอาศัยอารมณ์ หรืออาศัยวิถีจิตบอกอาศัยวิถีจิตเป็นใหญ่ตัววิถีจิตนั้นจะปรารบอารมณ์เลยเนีจะปารบอารมณ์มเลยจะปารบรูปปารบเสียงปารบกลิ่นรสสัมผัสหรือปาราธรรมอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็ทั้งที่เป็นอนิพนธารูปแล้วก็บัญญัติวิถีปารบแบบไม่ชัดมากก็เป็นวิภูตารม์วิถีอารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจ ถ้าอารมณ์นั้นไม่ชัดก็เป็นอวิภูตารมิถีถ้าอารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดในทางใจมากที่สุดก็เป็นอติอวิภูตารมวิถีวาระก็ตามลําดับอติอวิภูตารมวิถีก็ลงตทาระณวาระอวิภูตารมวิถีก็ชาวนาระระอวิภูตารมวิถีก็วุฒาพนาวาระอติอวิภูตารมวิถีก็โมคาวาระก็เป็นอย่างนี้นี เอาต่อไปไปดูหน้าที่สิบหกซ้ำต่อจากครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วพูดถึงในเรื่องของนี่ตอนนี้เราจะศึกษาในการมชวนมโนทวารวิถีสี่วิถีก่อนนะเพราะว่าในตถานุวัติกะมโนทวารวิถีสี่วิถีเนี่ยแยกมาจากสุทธามโนทวารวิถีก็อติตักขานวิถีสมูหักขานวิถี อัฐาค้าณวิถีแล้วก็นามมัคคาณวิถีในสี่วิถีเนี่ยในสี่วิถีเนี่ยก็ต้องดูวิถีที่เกิดต่อในเรื่องของ ต, ตทฐานุวัติกาเนี่ยมโนทวารวิถีเนี่ยนะในคําว่าตทานุวัติกามโนทวารวิถีเนี่ยตัฐานุวัติกามโนทวารวิถีต่อจากปัญจทวารวิถีนั้นเนี่ย ที่ใช้คําว่าอะไรนะตถาอนุวัติกะตากะอนุวัติกะอนุวัติกะนี่เป็นไปตามลําดับหรือเกิดต่อนะมโนทวารวิถีก็ตรงตัวนั่นแหละรวมความก็คือแต่ทานุวัติกะมโนทวารวิถีก็หมายความว่าอะไรหมายความว่ามโนทวารวิถีที่เกิดต่อจากปัญจทวารวิถีโดยตรงนะเ ก, เกิดต่อเกิดต่อโดยตรงคู่กับวิถีที่เกิดทางใจโดยเฉพาะไม่ต้องต่อจาก อปัญจทวารวิธีก็คือสุดท้ามโนทวารวิถีแต่ถ้าหากไม่มาควบคู่กับตทานวัติกามนโนทวารวิถีนี่จะเรียกว่าสุดท้ามโนทวารวิถีได้ไหมไม่ได้นะคำว่าสุดท้ามโนทวารวิถีเนี่ยถ้ามามาควบคู่กับตทานวัติกามนโนทวารวิถีนั่นเองจึงเรียกว่าสุทธามโนทวารวิธีมองไหมมองไหมคือมาคู่กันนั่นเอง ถ้าฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าการมสุทธามโนทวารวิถีเพราะว่าไปคู่กับตทานุวัติกามโนทวารวิถีใช่ั้มว่าไอ้สายนี้เกิดต่อนะไอ้สายนี้เกิดทางใจโดยเฉพาะแนะ่นี่เป็นอย่างงไนถ้าไม่มีไอ้ตัวนี้ไปไปไปเปรียบเทียบก็ไม่เรียกว่าอ้นัสุทธาอืมก็ก็เป็นอย่างไงเพราะว่าทางอัปนาชาวนะมโนทวารวิถีก็ไม่ได้เกิดต่อจาก<อ>ใช่ไหม ม่ อ, อไหมอปนาชาวนะมโนทวารวิถีเจ็ดวิถีเนะี่ยไม่ได้เกิดต่ออย่างทางปัญจทวารวิถีเนะถ้าจะท่าอย่างนั้นก็ต้องเรียกเขาสุดท้าโดยใช่ไหมใช่ <c oughs> สุดท้าที่ไหนแล้วม่ อ, อไหมนี่ถึงบอกว่าที่สุดท้าตัวเนี้ยที่ไปเรียกสุดท้านั้นเพราะไปเปรียบเทียบกับตถานุวัติกาเนะี่ยจึงเป็นสุดท้ามโนทวารวิถีอืม เดี๋ยวจะแยกไม่ออกการศึกษาวิถีต้องต้องต้องให้ชัดเจนตรงนี้นิดนึงไอ้ที่ว่าพันเปรียบเป็นสุดท่าหรือไม่สุท่านั้นพอเปรียบเปียบแตะทะ่ท่านวติกะเพราะอภปนาชาวนะนั้นไม่ไม่เรียกว่าสุดท่ามันเป็นวิถีทางอภปนาไปจะเรียกไปหรือไม่เรียกถะบอกนั่นไปนั่นไปเอ๊ะเขาก็น่าจะใช่นะว่าเพราะอภปนาชาวนานวิถีไม่มีการเติดเกิดต่อจากปังจัตวาลวิถีแน่นอนหน่ย ก็ไม่เรียกว่าสุดท้ามโนทวารวิถีฉะนั้นที่เรียกนั้นนะเพราะว่ามีคู่กันเนี่ยมีคู่กับตถานุวัติกะทีนี้ในการศึกษาในเรื่องของวิถีเนี่ยนะโดยเฉพาะในตถานุวัติกะมโนทวารวิถีเนี่ยที่บอกว่าอัตติตักข้าณวิถีอ่าในวิถีแรกนเนี่ยนะได้ดูดูดูความหมายเขาก่อนได้บันทึกไว้ หมายความว่าเป็นวิถีที่รับปัญจารมณ์ที่ปัญจารมวิถีจิตรับมาแล้วก็ดับไปแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันสัน ต, ติอดีต ท, ที่ต่อจากปัจจุบันนี้เป็นปรมัตนระ์เนาะนี่ยปัจจุบันสัน ต, ติเป็นอย่างนี้เป็นยังไงบอกว่าก็ดูสังเกตอย่างนี้เอาไปดูรูปารมสามชนิดใช่ไหมอ่าดูวิถีเลยในหน้าสิบหกอย่างนี้คือจักขุทวาริกะ อติมหันตารมวิถีตถารรณนาวาล ะ, ะที่เป็นกามาชาวนะ27เ็ดเว้นโทสะชาวนะตารบอารมณ์สาชนิดที่เป็นอติอิธาอิธามาชตะและอนิธาตถารรมนาก็ได้สิบอดใช่ไหมเป็นไปตามอารมณ์นั้นทีนี้แยกประเภทไว้ด้วยเนี่ยเนี่ยเป็นกามาชาวนะ27เ็เว้นโทสะสองกามาวังสิบหน้าและหลัง ในการมะพร้าวสิบหน้าและหลังนั้นเนะ่ยที่เป็นมูลแตตาลำหน้าเส้นหนึ่งดวงอีกเก้าดวงเป็นอาคารตุกัดแตตาลำพนะทัานชยันตามทันไหมเนี่ยแตตาลำพน้ามีสิบเอ็ดใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเป็นเราอ่ะก็เม็ดมูลแตตาลํานะมูลแตตาลำหน้าเสนหนึ่งเหลืออีกสิบดวงเป็นเป็นอะไรอาคารตุกัดแตตาลำพนะเป็นแตตาลํานะที่จอดเข้ามาทํากิจ ในบุคคลนั้นนั้นอันนี้ตามคำพีหนึ่งนะแต่ถ้าอย่างนี้คือตาธารำห น, นะานั้นเดี๋ยงง่ายๆไปทีนี้ในขณะที่ปรารบอารมณ์รูปารมณ์สามชนิดนั้นนะมาดับที่พังคักขณะของตาธารำหนาดวงที่สองรูปารมณ์สามชนิดเกิดครั้งแรกที่อุปาทัศขณะของอตีตภวังเใช่ไมมาดับแล้วแสดงว่ารูปารมณ์นี่เป็นปัจจุบันให้เฉพาะในจกักขุทวาริกะ อดีมหันตารมวิถีแต่ธรรมนาวาราเท่านั้นนี่เป็นปัจจุบันนั้นนะรูปารมเนี่ยมาดับไปแล้วเนะีเมื่อวิถีจิตนี้ดับไปแล้วต่อมาอตีตักขาวิถีซึ่งเป็นตถานุวัติกะมโนทวารวิถีเป็นวิถีที่เกิดต่อจากทางปัญจทวารวิถีโดยตรงเนี่ยนะก็จะเกิดอตีตักขาวิถีอตีตักขาวิถีนี่เกิดขึ้นเพื่อทําหน้าที่อะไรเป็นวิถีจิตที่รับรูปารม์ที่จากขุทวาริกะ รับมาแล้วก็ดับไปแล้วฉะนั้นอตีตักค่านวิถีจึงรับอารมณ์รูปอารมณ์นั้นที่เป็นปัจจุบันสันติอดีตที่เกิดต่อจากปัจจุบันเนี่ยเป็นปรมัตต์นั้นน่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เป็นอย่างนี้นะมองเห็นไหมใช่ที่เป็นอดีตจัดเป็นปัจจุบันสันติก็คือรูปอารมณ์นั้นจริงๆเป็นอดีตคือรูปอารมณ์นั้นดับแต่เป็นปัจจุบันใกล้ชิดเขาเรียกสันตติใกล้ชิดมากใกล้ชิดอย่างมากเลยในตอนนี้นะ ถ้าพูดถึงอย่างเราเทั้งหลายต้องลงความเห็นเลยว่าปัจจุบันชัดเจนเลยปัจจุบันก็เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยยังเห็นอยู่เลยเนี่ยถ้าประเภทมาทางกายยะภทวานก็คื อ, อยังอุ่นอุ่นอยู่เลยใช่ไหมยังอุ่นอุ่นอยู่เลยยังไม่เย็นเลยบอกว่าไม่ปัจจุบันได้ไงนี่ยังมีความรู้สึกอยู่เลยอย่างเง้ยยังเห็นอยู่เลยแต่จริงลงทางใจไปแล้วเป็นตทารรมนะมีปรมัตาเป็นอารมณ์เนี่ยต่อจากนั้นสมูหกักฆานวิถี เป็นวิธีที่สองนะก็หมาย <iya> ความว่า whoever. เป็นวิถีที่รับปัญจารมส่วนรวมสมูหักส่วนรวมเนี่ยเพราะคําว่าอตีตักอตีต่าอตีต่น die, า, านี่นกรร็แปลว่าปัญจรมรที่ที่ ล, วล่วงไปแล้วเนี่ยอตีตักอตีตักรูปารมที่ล่วงไปแล้วขั้นหน้าก็คือการรับรับรูปารมที่ล่วงไปแล้วรับศรัทธารมที่ล่วงไปแล้วคันธารมที่ล่วงไปแล้วละสารมและโพธพารมที่ล่วงไปแล้วเนี่ยล่วงไปแล้ว ล่วงไปแล้วดับไปแล้วหมดไปแล้วแต่ล่วงไปขณะใกล้ชิดมากลักษณะเช่นนั้นนี่คือคือการรับของอตีตักขณะส่วนสมูหักสมูหานี่คือส่วนรวมส่วนรวมสมูหักขณนะก็คือรับรูปารมณ์ที่เป็นส่วนรวมนั่นเองสมูหักขณนะหมายความว่าเป็นวิถีที่ที่รับส่วนรวมของอดีตปัญจารมณ์รูปารมณ์ ปัจจุบันสันติตอนนี้เป็นปรมัตย์อยู่แต่ธาลัมนากเกิดขึ้นรวมอย่างเดียวการรวมนี่รวมยังไงถ้ารับรูปนี่รวมรูปเนี่รวมยังไงก็แปลว่าอาตีตักเกิดต้องเกิดต้องมีการรับอมีการมองอนูหรือหรือสีนั้นน่ะหลายจุดแล้วใช่ไหมสองจุดไปแล้วอย่าเงี้ยไอตัวสมูหะก็รวมเลยรวมเลยใช่ไหมรวมไปเรื่อยอตีตักก็รับ เืยส่วนจกักขุทวาริกะก็รับรูปารมณ์แต่ละชนิดแต่ละชนิดแต่ละชนิดในกระดานแผ่นนั้นเรื่อยเือหรือในภาพภาพนั้นเรื่อยๆืในส่วนทรงนั้นเรื่อยๆรับจนสามารถที่จะครบหมดทุกจุดไม่ใช่ว่ามองวับครั้งเดียวแล้วเห็นเข้าใจเห็นภาพกว้างทันทีเลยไม่ยช่ดูความเร็วของวิถีจิต ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยองค์ไม่รู้จะช้าใช่ไหมโลกนี้ช้ามากช้าอย่างมากขนาดช้าอย่างมากก็ยังเร็วกว่าความความรู้สึกความรู้เรื่องของพวกเราทั้งหลายแหมบุคคลที่ก็สร้างอัธยาศัยมาเป็นอย่างดีในการที่จะรอบรู้สิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนเนะี่ยก็จะรวดเร็วบันไดไหมเห็นหมดเลยนะเข้าใจชัดเจนหมดเลยแต่อย่างเรานี่ยโอ้โหเวลามองอะไรเนี่ยเรานึกว่าเราให้สังเกตดูที่การเราจะมองอะไรเราเพ่งตั้งนานนะ่ย เราใช้เวลาเพ่งตั้งนานนะจริงๆแล้วเพ่งตั้งนานเลยไม่ใช่ไม่ใช่นานไม่ใช่แวบเดียวเด่เพ่งนานเลยเนี่ยอย่างเราจะตรวจสอบอะไรละเอียดต้องการจะมองภาพนั้นละเอียดมากน้อยเพียงไรยังเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกนะเก็บภาพนั้นนะเก็บจนประทับใจเลยอ่ะบางคนอุยภาพนี้สวยจริงๆบางคนนะขนาดมองผ้าพคิริ้วบอกอุย้ยสวยมากเลยอ่ะขนาดภาพคิริ้วตกอยู่นี่นะก็นักศิละปะนี่เนี่ยก็ว่างนั้นะนักศิลป์ทั้งหลายเนะี่ย เขาใช้พืชเดียวแค่เนี้ยเขามองโว้ยงามมากแต่เรามองไงก็ไม่เห็นใช่ไหมเห็นไหมการการเก็บการเก็บภาพจริงๆก็คือการเก็บภาพในการมอง น, นั่นี่คือเขารวบรวมได้มากก็่างนั้นเถอะอติจักขุทวาริกะอติมันตารมิถีเขามากอาติตักขานวิถีเ็มากสมมหะก็มากอัทถะก็มากนามะ ก, ก็มากเลยแต่นี้ ตัดสินออกมาทันทีเลยสังเกตวิถีก็มากโอ้ยอย่างนี้ตัดสินออกมาทันทีเลยบอกงามมากเหมน ก, กันเราไปดูไปไม่เข้าใจใช่มการเก็บภาพต่างๆเหล่านี้ก็คือการส่วนรวมนั่นเองส่วนรวมของวิถีส่วนรวมของรูปของเสียงของกลิ่นของรสนั้นมองเห็ น, หนนะนะตรงนีนะทีนี้อัฐอัฐะอัฐะในที่นี้คือเนื้อความความหมายเนะี่ย ลักษณะของอัฏฐะเนี่ยคือเนื้อความของสิ่งนั้นความหมายของสิ่งนั้นสันฐานของสิ่งนั้นลักษณะของสันฐานของสิ่งนั้นและในในลักษณะของเนื้อความของสิ่งนั้นสันฐานของสิ่งนั้นรูปร่างของสิ่งนั้นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของอัฏฐคันนาวิถีถ้าวิถีนี้เกิดขึ้นมาให้สังเกตว่าตาธาธรรมะจะไม่เกิดแล้วเพราะไปเกิดความเข้าใจทันทีใช่ไหม ก็ไปตรงกับปัญหาที่ยมตุยถามบอกตาทามณะเกิดตอนไหนไม่เกิดตอนไหนเนี่ยดูดูเนี่ยดูวิถีเนี่ยก็จะเห็นแหละในสองวิถีแรกนะั้นนะถ้ายังเป็นสองวิถีแรกอยู่เกิดตออ่ออจากทางบรญจนะเนี่ยไอ้อย่างนี้ตาทามนะก็เป็นไปอยู่แต่ถ้าทะลุถึงวิถีที่สามตาามนะไม่มีแล้วไม่มีเพราะอะไรล่ะเพราะเริ่มไปเห็นสันฐานของสิ่งนั้นแล้วไปเห็นสันฐาน ไปเข้าใจความหมายเอเนื้อเอไม่ใช่ไปเห็นเนื้อความของสิ่งนั้นแล้วว่าว่าเป็นยังไงว่าเป็นสันฐานกลมสันฐานแบนสันฐานสี่เหลี่ยมสันฐานยาวนี่เป็นต้นนะหรือลักษณะเป็นอย่างไรอากับกริยายอย่างไงเป็นต้นหรือถ้าหากว่าเป็นเสียงใช่ไหมก็สันฐานของเสียงอย่างนั้นก็ไปเข้าใจสัฐานของเสียงนั้นแล้ว เข้าใจอัดอัดของเสียงนั่นแล้วเริ่มเริ่มเข้าใจอัดของเสียงนั้นแล้วถ้าเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสอะไรต่างๆๆก็เริ่มเริ่มไปเข้าใจสภาวะตรงนั้นเออมันเข้าใจได้เลยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นพริกเนี่ยเวลาถูกกายยปัสสาวร้อนๆแค่นั้นเดาได้เลยนะไอสันฐานก็จะเกิดต่อมาก็ชื่อตามเออถ้าทางไอทางทางโสตัธวานเนี่ยนามมากรก็อัฐถักนอะไรเกิดก่อน เสตทวารวิถีอะไรเกิดก่อ น, น, นเออทางไหนเกิดก่อนสมมุติว่าถ้าได้ยินเสียงอติตาคณวิถีเกิดต่อจากทางโสือตทวารวิถีไหมเกิดต่อหรือไม่เกิดต่อเกิดและต่อมาก็สมูหักพอสมูหักจบลงแล้วเป็นอะไรฮะนามะคณะวิถีจะเกิดก่อนนะใจได้ยินเสียงก่อนเมื่อไปกลวบรวมเสียงจนเข้าใจเสียงนั้นจึงจะตามไปรู้สันฐานของสิ่งนั้นอีกที อัฏฐกิจตามมาที่หลังนมามมร์นะเยให้เข้าใจอยังนะเดี๋ยวจะแยกไม่ออก <c oughs> แยกยากแน่ะนะนะต้องนี่นะ่ะก็พยายามคิดตามหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> โอ้เรียนวิถียิงใหกความคิดแต่เดี๋ยวนี้ตามทางตามลำดับทางจากกักรคุธวารวิถีก่อน <c oughs> ต่อมาเมื่อสมุไออัฏฐคณาวิถีเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยประการต่อมาคืนนามมร์คณาวิถีเป็นวิถีที่รู้ชื่อของปัญญารมณ์เนี่ย รู้สัพท์ทาบัญญัติหรือนามะบัญญัติของสิ่งนั้นเพราะคําว่านามะนามะก็คือชื่ออยู่แล้วก็สามารถที่ไปรู้ชื่อทั้งนามทั้งเสียงของสิ่งนั้นได้นะรู้สัพท์ด้วยแล้วก็รู้นามนามะบัญญัติด้วยอันนี้คือความเป็นไปของตถาณติกะมโนทวารและวิถีนี่ความเป็นไปของวิถีนี้เป็นแบบนี้นะทีนี้ เกี่ยวกันในเรื่องของการที่จะไปรู้เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆจะต้องเกี่ยวกันในเรื่องของวิถีที่มีการเกิดไม่ใช่น้อยเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่มีพวกสังเกตวิถีไม่มีพวกวินิจฉัยวิถีเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เกิดใช่ไหมแท้จริงวิถีเหล่านี้ท่านเป็นการกล่าวโครงสร้างแบบตัวยืนเข้าไว้ถ้าส่วนในรายละเอียดของวิถีนั้นก็จะต้องเป็นวิถีที่มีหน้าที่ตัดสินว่าวัตถุเนี้ย วัตถุชื่อนี้ชนิดนี้ใช่หรือไม่ใช่เกิดขึ้นกระตัดสินอารมณ์เหล่านั้นนะนะหรือเมื่อวิวธีจิตเหล่านี้ตัว ก, การตัดสินบอกว่าเป็นบัญญัติเมื่อเป็นบัญญัติแล้วเ้าบัญญัติเรียกว่าอะไรมันก็ยังตามมาอีกเยอะแยะไอ้เกี่ยวกับเรื่องของวินิจฉัยวิถีเนี่ย น, นะก็สามารถที่จะไปวินิจฉัยต่อวัตถุชนิดนั้นสิ่งของสิ่งนั้นหรือเรื่องเรื่องนั้นอารมณ์อารมณ์นั้นเนี่ยหรือปัจจัยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ที่ว่า กำลังวินิจฉัยเรื่องอะไรหลังจากหลังจากเห็นสิ่งนั้นแล้วเนี่ยนะไปมองวัตถุสิ่งของเนี่ยก็ยังไปวินิจฉัยตัดสินไปคนละทิศคนละทางกันด้วยกันไปตามอัธยาศัยของบุคคลที่จ ะ, ะคิดต่อสิ่งนั้นลืมบ่มอุปนิสัยอัธยาศัยมาอย่างไรวิธีคิดก็ยังไปแตกต่างกันอกไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าวินิจฉัยวินิวินิจฉัยวิถีเนี่ยวิถีที่เกิดขึ้นจากการวินิจฉัยเป็นนี้นะ แท้จริงไงวิถีเนี่ยมันต่อจากนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอย่างนั้นหลังจากที่เกิดขึ้นมาตามลําดับอย่างนี้แล้วทั้งอัดถักทั้งน้ำมักเกิดขึ้นมาตามลําดับแล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นลักษณะสังเกตวิถีพอสังเกตออกมาก็วินิจฉัยเกิดขึ้นในการที่จะตัดสินวัตถุสิ่งของที่ไปเห็นรูปที่ไปเห็นนั่ น, นส่วนทรงที่เห็นนั้นนะก็ตัดสินกันออกไปแต่ถ้าหากตามโลกอนิยมก็ก็ว่ากันเอาอย่างสุดคนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย ไม่รู้ว่าถูกสิ่งนั้นเลยก็ไปสังเกตอยู่นั่นนะ่ะไอ้ข้อมูลใครอะไรมาก็อาศัยว่าเออมันเหมือนอะไรใช่ไหมอันนี้มันเหมือนอะไรเขว่าไว้แต่นี้เหมือนอะไรถ้ายัางถ้ายัางรักษาสังเกตวิถีวิใชัยวิถีเนี่ยยอนตัวไบ่อยใช่ไหมพอดูพบเนี่ยต้องรู้เลยะต้องสังเกตแล้วต้องเทียบเคียงแนะวิถีอะไรเกิดอะไรเนี้ยแต่ข่าววิถีอะไรก็ช่างเหยือเจ้เขาเป็นอติวิภูตารล์หรือวิภูตารลมก็ต้องดูว่าอารมณ์นั้นชัดไหม ชัดนะถ้ายิ่งอารมณ์นั้นเด่นชัดไหมถ้าขึ้นก็โอ้อย่างนี้ต้องเป็นหลายร้อยปีแล้วไหมพองขึ้นมาแล้วใจลุกเปาบเลยสังเกตวิถีเกิดเเริ่มมันสังเกตทียิบเลยเนะี้ยตีตักข้าวมมาาวิถีสบูหักข้าววิถีอัดถักข้วิถีนามักวิธใช้วิถีเกิดเกิดใหญ่เลยเนะี้ย ถ้าเป็นโลผ้าโอ้โหอย่างนี้น่าคิดเลยขอใยเป็นโลผ้านะใยเป็นโลผ้านะตรงนี้สําคัญมากเลยวางจิตให้ดีวางจิตให้ดีถ้าเป็นโลผ้านะวัตถุที่ดูนะั่นเป็นเป็นเป็นพระเจ้าใช่ไหมแต่ว่าหมาไปมานาิการผิดเนะี่ยระวังตรงเนี้ยที่ผ่านมานะมันมันมันทําไปแล้วไม่เรียนวิถีนี่ไม่เรียนวิถี น, น, นี่ตอนนี้พอเรียนวิถีแล้วพิจารณาใหม่ตรึกใหม่ บอเอ๊ะทำไมช้ากว่าเดิมมเอต้องสังเกตวิถีด้วยไม่ใช่สังเกตแค่พระต้องสังเกตวิถีด้วยเพราไอส้สุวิถีที่เกิดขึ้นน่ะเป็นไงเพราะวิถีที่เกิดขึ้นสําคัญกว่าพระนี่พระนี่ไม่มีอะไรมากใช่ไหมแต่วิถีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอาบายทุกขติวิบัตินะถ้าหากโลภะโทสะหรือโมหะเนี่ยแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่ากุศล ชาวน้าเกิดขึ้นเนี่ยมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าทีเดียวนะทำงั้นจึงต้องเฝ้เกตสังเฝ้เกลีให้มากวันนี้ต้องเังเกตีสองส่วนแต่ก่อนสังเกตแต่ว่าอเท่าไหร่เท่าไ ร, าไรโอ้แต่ก็ทํายากนะมันเคยมาจนโหจนชำนานกันแต่ก็ตึกดีดีตึกดีดีตึกดีดีมองให้ดีก็แล้วเอาตรงนี้อย่าลืมนะมันแรงนี่เมื่อเป็นแรงใช่ไหมวิถีหยิบก็แรง เมื่อแรงกรรมก็แรงชวนะทั้งทิฏฐะธรรมเวทนียกรรมทั้งอุปชาเวทนียกรรมทั้งอปราปราเวทนากรรมที่เกิดขึ้นจากการที่วิธีกิจเหล่านี้เกิดขึ้นแรงนี่ใช่ไหมใครที่เคยทําอะไรแบบแรงๆ แ, แบบโลภะบงังโทสะบงังละโมหะบางก็ก็เตรียมไปบอกว่าเอามันเสร็จแล้วกรรมเหล่านั้นสมัมฤทธิ์ผลไปแล้วทําไงอะประเภทที่กู้หนีมาแล้วต้องใช้อย่างเดียว เชื่อวัก็ไปไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วต้องใช้ไหมถ้าหากว่าไปไปไปออกเราเอาผลมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอรับผลเเบียดเบียนกําเก่าก็พอจะได้บางก็หมายความว่าก็พยายามเจริญกุศลไปก็แล้วกันเนี่ยแต่ถ้าเขาจะตามมาเล่นงานเมื่อไหร่ก็ต้องยอมรับก็ถามเราทำได้อย่างนั้นไหมล่ะถ้าทำได้อย่างนั้นก็ ถ้าทำได้เงนินก็โหวงก็พ้นที่ไม่พ้นไดงเหมือเล่นอวาลาหาธรรมะมาตัดเลยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมาอาหาธรรมะนี่เป็นตัวตัดกรรมนี่อาหาธรรม ก, กรรมในอาหาธรรมะนี่ตัดกรรมเลยนะตัดตัดกรรมแห่งสังสารวักรเลยนะ <Okay. S 1> เอานี้เอางี้ก็แล้วกันนะถ้าทำโสดาปฏิผลบุคคลให้เกิดได้ mm hmm. ก็แปลว่าเราตัดกรรมไปได้สี่ภพเลย เราไม่ต้องไปกรรมที่จะทำให้เราไปรับในปฏิสนธิการในประวัติการในอบายภูมิเราไม่ต้องไปแล้วหมดแต่กรรมที่จะต้องรับในมนุษย์ภูมิแล้วก็ในเทวภูมิในรูปภูมิแรูปภู ม, ภมินั้นยังมีส่วนที่จะต้องรับผลของกรรมนั้นอยู่แต่นั่นแหละ แ, แล้วก็เราก็เาเรียกว่าไงนะเขาเรียกว่าตัดเขาเรียกว่าสามารถหนีที่ประหารได้สามได้สี่ภูมิเพราะไปในภูมิไหนเราถูกประหารอยู่แล้ว ถูกดักฆ่าอยู่แล้วว่างั้นเธอไปเถอะในสามสิบอ็ดภูมิไปโดนดักฆ่าหมดเลยมีกับดักคอยฆ่าเราเรียบก็แปลว่าทีนี้เราจะไม่ไปเนี่ยไหมในสี่ภูมิแล้วบอกเราก็ไม่ไปอยู่แล้วลเราก็รับปากวอกไม่ไปไม่ไปเอาไม่ไปทำไมเดินทางนั้นแล้วทำไมเราบอกใจไม่อยากจะไปนะแต่ไม่รู้เป็นยังไงกลับทุกที <c oughs> มันจะไปให้มันเรื่อยอ่ะ ก่เหตุปัจจัยมันยังมีอยู่ที่จะไปตรงนั้น <Okay. S 1> อ๋อคุณก็เจริญบุญให้มาก <Okay. S 1> ก็เจริญบุญให้มาก <Okay. S 1> แต่ถามอย่างนี้บอกว่า <Okay. S 1> ในขณะที่เจริญบุญเนะี่ยคุณทำกรรมมาขนาดนั้นเนะ่ะคุณต้องขนหัวลุกแล้วถ้าคุณเคยทํากรรมมาขนาดนั้นเนะ่ยคุณมาพูดอย่าพูดเล่นนะถ้าคุณกลัวจริงๆเนะี่ยคุณต้องขนหัวลุกจริงๆนะแล้วคุณต้องกวีกว่าในการที่เราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเพราะคุณทํากรรมหนักมากเลย แล้วคุณชำนาญมากๆนี่อารมณ์ประเภทนั้นเนี่ยเอางี้ได้ไหมคุณคิดถึงการฆ่าไก่แล้วใจไม่เป็นบาปทำได้ไหมถ้าถ้าทำได้ก็เอาได้ดีแต่เขาตรึกพิจารณาได้ดีอยู่มั้ยทีนี้เรายังได้ถึงบอกว่าบางคนบอก อ, อยากจะทำบุญเพื่อจะแก้กรรมแต่เขาพมาทำเหมือนเดิมเขา 8วันมาทีสิบวันมาทีแล้วเขาบอกเขาเรียบร้อยไปแล้วเขาคิดของเขาเอ ง, งไม่ใช่นี่ถามว่าคุณยังคิดถึงบาปคุณใจคุณยังเป็นบาปอยู่ป่าถ้าคิดถึงบาปแล้วใจก็น้อเป็นบุญตรึกพิจารณาเป็นบุญได้อ้าวถ้าอย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วนิดแต่ถ้าละบุญละบาปได้ถ้าอย่างนี้คุณก็รอดปลอดภัยไปก็แค่ๆตรงนั้นมันก็มีข้อปฏิบัติอยู่แล้วบอกข้อปฏิบัติ บ, บอกได้ตามที่พุทธเจ้าบอก แต่คุณทําได้หรือไม่อยู่ที่คุณก็ต้องบอกเขาอย่างนั้นบอกอยู่ที่คุณนะครับเพราะไอ้ส่วนข้อปฏิบัติแล้วก็จะดูมาให้ในคําสอนของพุทธเจ้าว่าอย่างไรพยายามนี่พุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะว่าอย่างนี้นะคุณตามทาตามไปแต่สาวโอ้โหมันไม่ไหวมันยากจะเอาที่ง่ายง่ายไหมเอาจะให้ผมปรุงสูตรให้อีกแล้วมันไม่เอาไม่เอาแล้วว่างั้นนะจะจะไปปรุงสูตรให้ยังไงลราผมก็จะเอาตัวผมไม่รอดทีเท่านั้นนะว่างั้นก็ต้องบอกงนี้น มันเป็นงั้นนะจะให้เราพุงไปพปุงมาบอกตั้งนั้นเอาสูตรผมไม่เล่าอย่างเนี้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้แล้วเอราะเอาสูตรยอมสุรี <c oughs> งั้นไม่ได้ยศ ส, สูตรยมสุรีนี่ยังไม่แน่ใจนะบอกสูตรนี้ยอกถามว่าถ้าถามบอกสูตรสูตรนี้ถามมีใครไปสวรรค์ได้บ้างต้องถามงนะั้นที่รับรองในคัมภีร์อะ <c oughs> บอก บอกยังไม่มีเลยเงี้ยแม่อันนี้เพิ่งจะคิดมาใหม่เงี้ยก็เออถ้าอันนี้ย่อย่อมาแล้วเนี่ยย่อย่อละเอียดมาแล้วอ่างั้นนะบอกเอาอพระเจ้าไม่ต้องไปย่อแล้วคําสอนมีอยู่รายละเอียดยังไงก็มีอยู่จนครบหมดแล้วอ่านอ่านให้เยอะๆศึกษาให้ดีๆแล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้พระเจ้าวาอย่างนี้พระเจ้าวายอย่างนี้แล้วเราก็ชี้แจงเข้าไปทีนี้โดยมากเป็นอย่างนี้ฮถ้าเราชี้แจงแล้วนยอมว่าบอกเขาทำไม่ได้โดยมากจะเป็นอย่างนี้ ใช่โดยมากเขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาไม่อยากไปลบายแต่ว่ามีข้อปฏิบัติที่ไปลบายก็ต้องไปอย่คือคือเป็นอย่างนั้นเน่ยเยอะคือเขาไม่อยากไปกันหรอกคนเดียวนี่ยแต่เขาอยากง่ายๆเนี่ยประเภททําบุญสะดอกคอแล้วก็ตัดได้เลยไงเขาอยากทําง่ายๆงั้นโอ๊ยถ้ามีอย่างนั้นเราก็สบายไปแล้วก็ไม่จ<ม>ําเป็นต<ม>้องมาบวชที่มันทรมานอย่างนี้หรอใช่ไหมเอาไม่จําเป็นเลยนะที่จะต้องมานั่งบวชกันอะไรกันให้นานๆ พอมัยังไงยังไงก็ไปสะดอกข้อสัทีก็หมดแล้วอั น, นี้มันไม่ใช่อย่างเงี้ยถ้าทงงําัง่ายง่ายงั้นก็โอ้โหดีก็ค ก, ก็อยากจะได้ยังในข้อปดีบัติอย่างนั้นประเภทที่มีการคอรัปชั่นก็ได้มีการพระเภทที่เหมาจ่ายก็ได้อะไรเงี้ยโอ้โหถ้างั้นก็ดีถ้าทาได้งั้นใช่ไหมนี่มันไม่ได้เลยมันต้องฝึกฝนมันต้องอบรมมันต้องไข้ควรพิจารณาก็ต้องใช้ความอดทนใช้ การสังเกตพิจารณาศึกษาพระธรรมเป็นอย่างดีในการที่ตรวจสอบโอ้ทั้งนั้นกันบาปไม่ได้เลยบาปมันเยอะตนน้องต้องบอกให้เขารีบๆหน่อยเลยถ้าทำกรรม